กรณีที่ไถ่ชีวิตโคกระบือถือว่าเป็นการให้ชีวิตผู้อื่นผลที่ได้รับคืออะไรแล้วจะทำอย่างไรเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไปเจ้าคะ่ะคือทุกชีวิตเนี่ยการให้ความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าอาภัยทานเยเช่นเราให้ความปลอดภัยต่อยุงให้ความปลอดภัยต่อเหลือบ ยุงลิน ล, ล้มลมลไอไหลเลือดทั้งหลายสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายที่เราให้ความปลอดภัยทั้งสิ้นจัดเป็นอภัยทานและแม้แต่มนุษย์ทั้งหลายที่เราไปป้องกันภัยให้กับเขาทั้งหมดทีนี้กิจกรรมการปล่อยเต่าปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยหนูเนี่ยหรือว่าปล่อยโคปล่อยกระบือทั้งหลายเป็นกิจกรรมไงยง แต่คนที่ให้แล้วก็ไม่ได้ละบาปอภิษณ์อะไรกันเลยเมื่อกลายเป็นกิจกรรมไปหมดแล้วเนี่ยเอามันให้กันจริงๆเลยได้ไหมเป็นการให้ทุกวันปล่อยทุกวันได้ไหมปล่อยทุกวันก็คือการเจริญกุศลศีลให้ความปลอดภัยให้ความปลอดภัยในชีวิตโดยการไม่คิดโกรธใครเลย ในโลกนี้ในจักรวาลสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตเราจะไม่โกรธเราจะไม่เบียดเบียนเราจะให้ชีวิตเขาจะให้ความปลอดภัยเขาเราจะไม่ทําตนเองเนี่ยทำจิตของตนเองให้มีความโกรธแล้วก็ให้ความปลอดภัยเขาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอันเนี้ยอย่างนี้ไม่ค่อยให้กันให้แบบนี้ดีไหมถ้าให้แบบนี้เชื่อว่าให้ทุกวันให้ทุกเวลาไหมเนี่ยที่เรานั่งกันทั้งหมดเหล่านี้เราได้ให้หรือยังวันนี้ ได้ให้ศีนข้อนี้เกิดขึ้นหรือยังมานั่งตั้งนานทําไมไม่ให้เราให้ทุกคนเลยนี่คือหลักปฏิบตัติใช่ไหมขอให้ผู้ที่มาปฏิบัติเนี่ยเายกใครขึ้นเป็นประธานได้ไหมนี่ยมีพระท่านมาใช่ไหมเอาและเราจะให้ความปลอดภัยกับชีวิตพระคุณเจ้าที่มานั่งฟังธทำขอให้ท่านมีชีวิตยืนยาวขอให้ท่านปลอดภัย ให้กุศลกรรมของท่านรักษากระแสชีวิตของท่านให้ยืนยาวอยู่ในร่มผ้ากาสาวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาจนเป็นปัจจัยเกิดความหลุดพ้นจากสังสารวัฏโดยเร็วโดยง่ายโดยสะดวกโดยพันนะและทุกคนทั้งหลายที่อยู่ณนะที่นี้ที่มาฟังธรรมก็ขอให้ความมีความปลอดภัยในชีวิตอย่างนั้นเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยอย่างนี้ชื่อว่าให้ไหมให้หมดเลยเห็นไหมเนี่ย และไม่ใช่แค่นี้ใครแวบเข้ามาในความรู้สึกเราก็จะให้จะให้ความปลอดภัยทั้งหมดอย่างเงี้ยไม่ใยากจะโกรธมันจะโกรธมันมันเป็นคนไม่ดีอย่างนี้ต้องจัดการต้องจัดการเนี่ยเราไปจัดการทําไมให้ไปทำตัวเป็นผู้พิพากษาหรือเราจะทำตัวเป็นเป็นเพชฌฆาต <c oughs> เห็นไหม แล้วข้อสองให้ได้ไหมให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินได้ไหมอา้าวนึกถึงพระนี่พระ่านมีทรัพย์สินของท่านไหมมีไม่มีมีจีวรก็มีใช่ไหมในย่ามก็มีไหมไหมอาจจะมียาจะไม่มีของใช้ท่านก็มีทรัพย์สมบัติเราก็จะให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินจะไม่คิดเอาทรัพย์สินของท่านมาเป็นของของเรา และจกไม่มีวิธีการใดๆขอให้ท่า น, นมีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการที่จะดูแลในสามัาเพศของท่า น, นให้ยืนยาวให้ปลอดภัยนะแม้กับทุกคนเราก็ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินหมดการให้ในลักษณะอย่างนี้ในข้อสองที่มานั่งกันเนี่ยเราได้ให้ทุกคนได้ยังให้หมดเนี่จริงๆใจเราได้น้อมให้จริงๆริงไหมให้หรือไม่ให้ ได้เจริญไม่ศีลก็สองให้ทุกคนไหมให้ทุกคนมีความสุขมีความปลอดภัยในทรัพย์สินทั้งหมดัหมให้หรือไม่ให้หรือไม่ได้คิดใช่ไหมเราศีลก็สองก็ไม่เกิดศีลมันเกิดขึ้นด้วยการน้อมจิตได้อย่างนี้จริงๆนะไม่ใช่เกิดแค่ไปนั่งสมาทานศีลมันเกิดแบบนี้อย่งเราไปคิดว่ารับศีลแล้วมีศีลใช่ไหม ที่จริงมันไม่มีนะนี่ยมันได้แค่รับแค่นั้นเองแต่ศีลมันไม่เกิดจริงอ่ะศีลเกิดจริงมันจะต้องมีทรัพย์สินของบุคคลอื่นเป็นอารมณ์แล้วก็น้อมที่จะให้ความปลอดภัยในในทรัพย์สินของเขาศีลข้อสามเกิดจริงต้องน้อมที่จะให้เขาปลอดภัยในคู่ครองไม่พลาดของเขาศีลข้อสี่เกิดจริงคือน้อมที่ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อคือให้คําสัตย์คําจริง ให้คำไม่ส่อเสียดให้คำไม่แตกแยกให้ความสามคัคคีให้ความไพเราะอ่อนหวานให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ให้ของไม่มึนเมาทั้งหมศีลเกิดแบบนี้นี่เขาเรียกมหาทานถามว่าในชีวิตจริงๆอ่ะเราจะเรินได้แบบนี้ไหมถ้าจเจริญไม่ได้ก็แปลว่าศีลไม่เดินเมื่อกุศลศีลไม่เดินก็คือกุศลจิตไม่เกิดกุศลจิตไม่เกิดก็แปลว่าบุญไม่ได้ บุญไม่ได้ก็คือบาปได้ไหมยากไหมจเจริญแบบนี้ยากไหมต้องเสียเงินไหมมีแต่ให้มีแต่สละมีแต่มีแต่กุศลที่มันเกิดขึ้นเราทํายังไงจะผิดฝึกที่ยอมฝึกจากหนึ่งคนเนี่ยบางทีพูดมันต้องใช้เวลาเร็วใช่ไหแล้วเอาไปทําต่อกลับไปเนี่ยก็เป็นั่งให้ลูกนั่งต่อหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอจเจริญศีลให้ครบห้าข้อหน่อย เนี่ยเอาลูกมานั่งมานั่งอย่าเพิ่งวิ่งเล่นหน่อยได้ไหมอย่าลอกกวนได้ไหมมานั่งตรงนี้ถือไม่เลี้ยวอันได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ใช่ไหมบอกอย่างนี้เป็นตน้นก็ฝึกเดินตั้งแต่ข้อแรกเราจะให้ความปลอดภัยในชีวิตใช่ไหมเราจะให้ชีวิตจะลูกเป็นทานให้ความไม่เบียดเบียนในทรัพย์สมบัติก็ไล่ไปตามลำดับเห็นไหมก็ฝึกให้ได้จริงๆ